20. หลักของการปฏิบัติง่ายๆคือให้รู้ทันความปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งเสียเองวงเล็บเปิดสองพฤษภาคม2552ในวงเล็บสองวงเล็บปิดการปฏิบัติจับหลักให้แม่นๆแล้วง่ายไม่รู้หลักแล้วทำไม่สำเร็จหรอกหลักของการปฏิบัติง่ายๆเลยให้เรารู้ทันความปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งเสียเองคอยรู้สิ่งที่ปรุงแต่งกายกับใจเราเรื่อยๆอย่างลมหายใจหายใจออกหายใจเข้า ลมหายใจก็ปรุงแต่งร่างกายจิตใจมันก็ปรุงแต่งก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาอาศัยสัญญาเวทนาเข้ามาปรุงทำให้จิตทำงานให้เรารู้ทันความปรุงแต่งไม่ใช่ไปปรุงแต่งเองพวกเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่พลาดคือแทนที่จะรู้ทันความปรุงแต่งกลับไปภาคเพียนที่จะปรุงแต่งคอยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าภาวนาอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรแล้วจะดีในใจคิดอยู่แต่เรื่องนี้ทาอย่างไรจะดีทาอย่างไรจะถูก ทำอย่างไรจะบรรลุมรรคผลนิพพานเร็วๆทำอย่างไรก็ผิดทั้งหมดนั่นแหละเพราะความปรุงแต่งทั้งหมดไม่ว่าจะไปพยายามประคับประคองจิตใจขนาดไหนรากเง้าของมันก็คืออวิชชาทําไมมันปรุงแต่งละ่ะเพราะมันคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเป็นของดีเป็นของวิเศษรักมันรักในกายในใจนี้ก็เลยอยากให้มันดีอยากให้มันมีความสุขแต่ละคนก็ปรุงแต่งกันไปตามสติปัญญา สัตว์ทั้งหลายหรือคนซึ่งไม่ได้เรียนธรรมะเขาก็มักจะปรุงแต่งตามใจกิเลสคิดว่าสนองกิเลสได้แล้วมีความสุขอยากไปเที่ยวอยากไปกินเหล้าอยากไปทำอะไรต่ออะไรได้ทำสมอยากสนองกิเลสได้สมอยากแล้วก็มีความสุขคิดอย่างนี้ส่วนนักปฏิบัติฉลาดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคิดว่าตามใจกิเลสนี่ไม่มีความสุขจริงหรอกเพราะต้องตามใจกันทั้งชาติ ถ้าเรามาฝึกกายฝึกใจของเราให้ดีบังคับกายบังคับใจเอาไว้ให้อยู่ในอำนาจได้เราถึงจะมีความสุขบางคนพยายามฝึกนั่งสมาธิทำอย่างไรจะไม่เจ็บไม่ปวดไม่อยากไม่เจ็บไม่ปวดไม่เป็นไรนะให้หมอตัดเส้นประสาทออกบล็อกสันหลังไม่เจ็บไม่ปวดพยายามจะเข้าไปดัดแปลงมันไปแก้ไขมันไปปรงุงในทางจิตใจก็เหมือนกันภาวนาคิดทุกวันทำอย่างไรจะดีทำอย่างไรจะถูกมีใครไม่คิดไหย ไอ้ที่ทำอยู่นี่มันถูกหรือมันผิดทำอย่างไรมันจะดีกว่านี้อีกมันมีคำว่าในเครื่องหมายคำพูดทำนำหน้าเห็นไหมทำไมต้องทำละ่ะเพราะอยากดีอยากสุขอยากได้มรรคผลนิพพานเบื้องหลังมันก็คือความอยากทำไมต้องอยากอย่างนั้นเพราะเบื้องลึกลงไปเลยมันเห็นว่าจิตใจนี้เป็นตัวเราแล้วก็ยึดถืออย่างเหนียวแน่นเลยมันอยากให้จิตใจมีความสุขคิดว่าภาวนาไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจิตใจจะมีความสุข บางคนหนักกว่านั้นอีกอยากให้ร่างกายมีความสุขด้วยบางคนไปฝึกนอนบนเตาปูทรมานมันไปเรื่อยๆจนมันคุ้นเคยกับความทุกข์ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันไม่ทุกข์แล้วนี่คิดอย่างนี้ก็มีโง่เข้าขั้นเลยหรือจิตใจนะทําอย่างไรมันจะนิ่งๆถ้านิ่งได้สงบได้แล้วมีความสุขหรือว่าดิ้นรนอยากได้นิพพานบางคนก็ดิ้นรนแปลกๆดิ้นรนน้อมใจไปอยู่ในความว่างถ้าน้อมไปตรงนี้แล้วคงจะดีได้บรรลุมรรคผลนิพพานเร็วๆ บางคนก็จับเอาตัวผู้รู้ไว้เหนียวแน่นมีจิตเป็นผู้รู้อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้บางคนไปเพ่งอารมณ์บางคนไปเพ่งจิตนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็ไปเพ่งอารมณ์เช่นรู้ลมหายใจก็เพ่งเอาไว้ที่ตัวอารมณ์อันนั้นก็คือความปรุงแต่งอย่างหนึ่งคิดว่าเพ่งลมหายใจไปนานๆแล้วคงจะบรรลุมรรคผลนิพพานบางคนก็ไปเพ่งท้องท้องพองยุบไปเพ่งอยู่ที่ท้องคิดว่าเพ่งนานๆไปแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพาน บางคนเพ่งร่างกายทั้งร่างกายบางคนเพ่งจิตบางคนเพ่งความว่างบางคนเพ่งความไม่มีอะไรเลยบางคนเพ่งจิตก็พยายามประคองตัวผู้รู้เอาไว้ไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่งทำอะไรต้องมีตัวผู้รู้อยู่ตลอดเวลาใจจะเครียดใจก็จะหนักหนัเครียดเครียดไม่ว่าทำอะไรรากเง่ามันก็คืออวิชชามันไม่รู้แจ้งในกองทุกข์ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์คิดว่าเป็นตัวเราก็อยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบ อยากให้มันบรรลุมรคผลนิพพานก็ดิ้นรนปรุงแต่งใหญ่คนไม่ฉลาดก็ปรุงแต่งฝ่ายชั่วตามใจกิเลสคนฉลาดขึ้นมาหน่อยก็ปรุงแต่งฝ่ายดีคือคอยควบคุมตัวเองคอยบังคับกายคอยบังคับใจเพ่งโน่นเพ่งนี่กำหนดโน่นกำหนดนี่ไปนี่ก็คือความปรุงแต่งทั้งสิ้นเลยหน้าที่ของผู้ปฏิบตัติไม่ใช่จะไปคิดว่าปรุงอย่างไรแล้วจะดีปรุงอย่างไรแล้วจะบรรลุหน้าที่ของผู้ปฏิบตัติคือให้รู้ทันความปรุงแต่ง ถ้าจิตมันมีความอยากจะปฏิบัติเกิดขึ้นให้รู้ทันว่าอยากจิตมันอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานให้รู้ทันว่าอยากจิตมันดิ้นรนค้นคว้าว่าภาวนาอย่างไรแล้วจะดีจะบรรลุเร็วๆให้รู้ว่าจิตมันดิ้นรนค้นคว้าจิตเป็นอย่างไรก็รู้ทันมันลูกเดียวเลยดังนั้นไม่ใช่ไปดัดแปลงมันพวกเราเกือบทั้งหมดชอบดัดแปลงถ้าดัดแปลงไปเรื่อยๆคิดว่าทำอย่างนั้นคงจะดีทำอย่างนี้คงจะดีแต่ดีหรือไม่ดีที่ค้นคว้าอย่างนั้นมันก็จําเป็น ค้นไปเรื่อยเลยลองทำทำอย่างนี้น่าจะดีนะมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกใช้ไม่ได้กลับไปคิดอีกลองทำอย่างนี้ดูถ้าจะดีนะก็ใช้ไม่ได้อีกมาส่งกันบ้านทีไรมีแต่คำว่าไม่ใช่หรอกใช้ไม่ได้หรอกแต่อันนี้สำหรับลูกศิษย์ที่มาเรียนนานๆนะถ้าคนใหม่ๆเออดีแล้วละ่ะทำไปอีกฝึกไปฝึกไปเอาใจไว้ก่อนอินรียังอ่อนถ้าอินรีแข็งแล้วก็โดนหนักหน่อยตรงไปตรงมาได้เยอะขึ้น รวมความแล้วก็คือมันอดปฏิบัติไม่ได้หรอกมันอดบังคับกายอดบังคับใจไม่ได้หรอกแต่ก่อนหลวงพ่อก็เป็นหัดภาวนาแล้วสงสัยว่าเราควรจะดูตัวไหนดีดูตัวผู้รู้ดีหรือจะดูอารมณ์ที่ถูกรู้อารมณ์มันไหวอยู่ที่กลางหน้าอกตัวผู้รู้มันอยู่ข้างบนจะดูตัวไหนดีว่าพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกมันน่าจะรู้ตัวที่อยู่กลางหน้าอกนี่ตัวนี้มันทุกข์นี่ข้างบนผู้รู้ไม่เห็นมันทุกข์เลยหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิต จิตมาอยู่ข้างบนมันเป็นคนรู้หรือว่าเราจะดูใส่ตัวนี้ดีพอไปดูใส่นะมันก็รู้สึกเป็นสมถะมาดูตัวนี้ก็เป็นสมถะอีกรวมความแล้วจะดูตัวไหนนาะสงสัยขึ้นมานะสงสัยแล้วทําอย่างไรดีไปเจอหลวงปู่ดูลสงสัยรู้ว่าสงสัยเอาไว้ดูก่อนดูอยู่สักปีหลวงปู่ดูลสิ้นไปอยู่กับหลวงปู่เทศสงสัยอีกเรื่องเดิมนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ดูก่อนแล้วค่อยถามหลวงปูท่ทีหลังเออาก็ถามครูบาอาจารย์อย่างเดียวไม่ได้เรื่องหรอก หลวงปู่เทศก็สิ้นไปหลวงปู่สิมก็สิ้นไปสิ้นไปเป็นลําดับลําดับลําดับจนองคสุดท้ายหลวงปู่สุวัสดิ์ถามดีหรือไม่ดีติดปัญหานี้มายี่สิบปีแล้วดูตัวไหนดีไม่ถามนะทําไมเราปล่อยให้ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆมรณาภาพไปหมดแล้วเหลือหลวงปู่สุวัสด์อยู่ถ้าเราถามหลวงปู่สุวัสด์แล้วทําไมเราไม่ถามองค์ก่อนๆไว้ซิก่อ น, อ น, อนละ่ะเอาไว้ดูก่อนนะเอาไว้ดูก่อนในที่สุดท่านก็มรณาภาพไปเราก็ดูของเราไปเรื่อยๆ โอ้อย่างไรว่ามันจะถูกใช่ไหมลึกๆ ก, ก็คือดูตรงไหนจะถูกดูแบบไหนจะถูกลึกๆ ก, ก็เป็นนะความรู้สึกชนิดนี้มันมีอยู่ทุกขั้นทุกตอนของการปฏิบัติเลยดูไปดูไปตัวนี้ตัวนี้ดูต่อไปมันก็อ้อตัวไหนมันก็รู้เอาตัวนั้นแหละไม่รู้จะทําอย่างไรแล้วจนปัญญาแล้วสติมันจะไปรู้ตัวไหนก็เรื่องของมันแล้วปล่อยมันทํางานไปหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทําอย่างไรต่อไปแล้ว ดินรนค้นคว้ามาจนสุดขีดในใจลึกๆมันรู้อยู่อย่างเดียวว่ามันยังไม่รู้อะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่ามไม่รู้อะไรรู้แต่ว่ามันยังไม่รู้อะไรอย่างหนึ่งมันยังไม่พอใจไม่วางวางก็วางแวบๆเดี๋ยวก็หยิบขึ้นมาอีกแล้วหลวงปู่สุวั์ท่านก็บอกอย่าไปเอาไม่มีอะไรแล้วมีเท่านั้นแหละท่านพูดถึงขนาดนี้ประโยคของท่านนะท่านบอกว่าพระสกทาคารีพระอนาคามีพระอระหรันต ท่านเห็นสิ่งเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจต่างหากที่ไม่เท่ากันนี่ท่านบอกให้อย่างนี้ท่านบอกไม่มีอะไรแล้วเราฟังท่านเราก็ไม่เข้าใจอะไรของท่านนะเราไม่เข้าใจเรารู้แต่ว่าเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เรายังต้องหยิบช่วยเอาจิตไว้ก่อนเราภาวนาไปเรื่อยความรู้ความเข้าใจมันก็ค่อยเกิดขึ้นเองถึงสุดท้ายเรารู้เลยเราไม่ได้จงใจจะรู้อะไรเลยแต่ทุกสิ่งที่ถูกรู้ถูกดู มันแสดงธรรมะออกมาเหมือนๆกันมันแสดงความเป็นก้อนทุกออกมาเหมือนๆกันทั้งหมดเลยทั้งผู้รู้ทั้งสิ่งที่ถูกรู้เคยได้ยินหลวงปู่ดูลบอกด้วยว่าผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้น่ะเป็นสิ่งเดียวกันฟังแล้วงงหนักเข้าไปอีกจิตกับวัตถุเป็นสิ่งเดียวกันเข้าไปได้อย่างไรโอ้รู้สึกว่ามีแต่เรื่องไม่รู้เยอะเหลือเกินไม่เข้าใจทําอย่างไรจะรู้ก็ไม่เข้าใจก็ได้แต่มีสติรู้กายรู้ใจทุกวันทุกวันไปเท่านั้นเอง อาศัยอดทนนะการภาวนา น, นี้พวกที่ฉลาดปราดเปรืองพวกนี้ไม่ได้กินหรอกเชื่อหลวงพ่อเถิดไม่ได้กินหรอกอดทนเข้าไว้อดทนเข้าไว้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจไม่ใช่ต้องให้หลวงพ่อบอกตลอดเวลาไม่ใช่วิ่งไปถามคนโน้นวิ่งไปถามคนนี้ตลอดอดทนไว้เรียนรู้ความจริงของกายของใจรู้ทันความปรุงแต่งของเขาเรื่อยๆไปการที่เราคอยรู้ทันกายรู้ทันใจเรื่อยๆ ไม่ได้คิดว่าทาอย่างไรจะถูกทาอย่างไรจะดีเราจะหมดความปรุงแต่งแต่ในขณะเดียวกันการที่เราคอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปวันหนึ่งเราจะแจ่มแจ้งขึ้นมาว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์มันแจ้งขึ้นมาพอแจ้งแล้วกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์รู้แจ้งจริงๆนะโอ้ทุกข์นี่พอรู้ว่าทุกข์ปุ๊บมันสลัดทิ้งเลยสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปพอมันสลัดคืนกายคืนใจให้โลกตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีก ที่ว่าทุกให้รู้สมุทัยให้ละนี่ไม่ใช่ละเป็นคราวๆแต่ละแบบสมุทเฉทปหานละแล้วไม่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นการละตัณหาในขั้นต้นๆไปนี่มันเป็นละชั่วครั้งชั่วคราวแต่การละตัณหาในขั้นที่เกิดอริยมรรคละแล้วละเลยละแล้วไม่มีการละอีกต่อไปนิโรธก็แจ้งนิพพานก็แจ้งทําไมมันละตัณหาได้เพราะมันเห็นแล้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกขตัณหาคือความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขไม่มีอีก ความอยากที่จะให้กายให้ใจพ้นทุกข์ไม่มีอีกเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นตัวทุกข์มันพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกตัวมันเป็นตัวทุกข์แล้วมันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเหมือนไฟมันร้อนจะให้ไฟมันไม่ร้อนได้อย่างไรไปฝืนคุณสมบัติของมันขันห้าเป็นตัวทุกข์อย่างไรก็เป็นตัวทุกข์พอปัญญามันแจ้งมันยอมรับความจริงว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาสลัดคืนขันห้าให้โลกเลยความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์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 พอมันสลัดคืนขันห้าให้โลกธาตุรู้มันจะหลุดอิสระออกมาธาตุรู้นี้ซึมซ่านเข้าไปในทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีขอบมีเขตมีจุดมีดวงไม่มีที่ตั้งเต็มโลกเต็มจักรวาลเต็มขันอยู่อย่างนั้นเต็มทุกสิ่งทุกอย่างอยู่อย่างนั้นฉะนั้นในขันเนี่ยธาตุรู้ก็ซึมซ่านได้ในขันนั้นสุญญาตาก็ซึมซ่านอยู่ได้ธาตุรู้ไม่ใช่สุญญาตานะคนละอันฉะนั้นไม่มีขอบมีเขตนะเป็นอิสระภาพเป็นอันเดียวรวดเลย ให้รู้ <teor isi> ความปรุงแต่งอย่าไปหลงปรุงแต่งซิเองไม่ต้องคิดหรอกว่าภาวนาอย่างไรจะถูกรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกกายรู้สึกใจไปรู้สึกตัวแล้วไม่ไปติดเฉยไม่ไปติดอยู่ในความว่างรู้สึกตัวแล้วคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปรู้สึกไปมากๆใจมันก็จะไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ทำอย่างไรจะดีทำอย่างไรจะถูกลงมือทาเมื่ อ, อไรผิดเมื่อนั้นจำมาไว้นะลงมือทาเมื่อไรผิดเมื่อนั้นแหละ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 รู้สึกไปดูไปเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจะเห็นความจริงว่ามันมีแต่ตัวทุกข์ล้วนๆเบื้องต้นยังไม่เห็นเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเบื้องต้นจะเห็นว่าไม่มีตัวเรากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราค่อยๆดูไปทีละตัวทีละตัวมันจะเห็นไม่มีเราหรอกแต่การดูทีแรกยังดูไม่ค่อยเป็นดูแล้วถลำลงไปดูบ้างเริ่มต้นอยากดูก่อนอยากจะดูแล้วเที่ยวสแสวงหาว่าจะดูอะไรดีก็ปรุงแต่งเรียบร้อยแล้ว พอไปเห็นสภาวะเข้าก็ถลำลงไปจ้องใจไม่ตั้งมัน่นใจไหลออกไปที่หลวงพ่อบอกจิตไม่ถึงฐานแรกๆ ก, ก็ยังต้องจ้องไปก่อนหลงไปก่อนเหมือนกันทุกคนนั่นแหละไม่ต้องตกใจอาศัยได้ฟังทำไปเรื่อยๆว่าจิตส่งออกนอกบ้างจิตไม่ถึงฐานบ้างหลายสำนวนนะฟังไปสำนวนนี้ไม่เข้าใจสำนวนนี้ไม่เข้าใจฟังไปเรื่อยวันหนึ่งมาฟังอีกโอจิตออกนอกจิตไม่ถึงฐานเกิดเข้าใจขึ้นมา ฟังมาร้อยครั้งก็ไม่เข้าใจนะมาเข้าใจครั้งที่ร้อยหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะฉะนั้นอดทนนะฟังสิดีหลวงพ่อฟังไปเรื่อยๆแต่และเที่ยวความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกันหรอกรับรองเด็ดขาดเลยไม่เหมือนกันหรอ ก, ไ ม, มอ ก, รอกไม่เหมือนกับวิทยาการทางโลกอาจารย์เล็กเชอร์ในวงเล็บบรรยายให้ฟังนักศึกษากี่รุ่นฟังแล้วก็เหมือนกันหมดเลยโดยเฉพาะนักศึกษาไทยนักศึกษาไทยไม่ใช่นักศึกษาที่แท้จริงเป็นนักก๊อปปี้ ก๊อปี้ออกมากี่รุ่นกี่รุ่นก็เหมือนกันความรู้ความเข้าใจเหมือนเหมือนกันถ้าไม่เหมือนอย่างนี้สอบตกแต่ฟังซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนอ่านตำราทางวิทยาศาสตร์หรือตำราอะไรความรู้ความเข้าใจจะไม่เคยเหมือนกันเลยความรู้ความเข้าใจเปลี่ยนประโยคเดิมนั่นแหละแต่อาศัยที่เรามีสติรู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้าอบรมบ่มของเราไปเรื่อยไม่มีใครมาช่วยเราได้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต้องช่วยตัวเองคนที่ผ่านมาได้ล้วนแต่พวกที่ช่วยตัวเองทั้งสิ้นเลย ดูไปดูไปวันหนึ่งอาจจะมานั่งฟังเทศหลวงพ่อก็เทศว่าตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีปิ้งขึ้นมาเลยโถแทเบเกะกะบานตัวเองทงําไมโง่วะหลวงพ่อพูดทุกวันเลยว่า ต, วตัวตนไม่มีเพิ่งจะปิ้งเอาเมื่อปีที่สิบกว่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ความรู้ความเข้าใจมันรอเวลาที่จะสุกงอมขึ้นมาอย่ารีบร้อนนะภาวนาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจทําเหตุไปเรื่อยอยากขึ้นมาไม่ได้มีประโยชน์ทําให้เราบรรลุเร็ว ยิ่งอยากก็ยิ่งดิ้นรนยิ่งค้นควายิ่งสแสวงหายิ่งห่างไกลออกไปเรื่อยๆอดทนเอาไว้ใจเย็นๆเอาไว้อดทนนะพูดทุกวันเลยเรื่องความอดทนนี่ทนทนไว้ความเฉลียวฉลาดอะไรโ ย, ยนทิ้งไปเลยยิ่งฉลาดมากยิ่งค้นคว้ามากยิ่งปรุงแต่งมากภาวนาซื่อๆไว้หลวงพ่อคําเขียนบอกให้ภาวนาซื่อๆภาวนาโง่ๆนะ่ะโง่เป็นไหมโง่ไม่เป็นก็ฉลาดไม่เป็นหรอกฉะนั้นโง่ๆนะภาวนาไป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 ก่อนรู้อย่าอยากรู้ให้สภาวะเกิดแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปเที่ยวแสวงหาระหว่างรู้อย่าถลำลงไปจ้องรู้แล้วสักว่ารู้อยู่เฉยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงนี่พูดอย่างนี้ในเวลาปฏิบัติจริงพวกเราทำได้ไหมทำไม่ได้รู้สึกไหมทำไม่ได้เวลาคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไรจะแสวงหาทันทีเลยดูอะไรดีวะเอาวเจอไอ้นีอ่อ้าวดูไอ้นี่แหละพอดูไอ้นี่ปุ๊บถลำไปจ้องปับ๊บ แหมไปจ้องนี่มันทุกข์นี่ทําอย่างไรจะหายทําอย่างไรนี่แทรกแซงแล้วมันอดไม่ได้หรอกที่หลวงพ่อบอกว่ายาอย่างนี้ยาอย่างนี้ยาอย่างนี้สามยาไม่ใช่ยา ก, กับเมียคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามนะในเครื่องหมายคําพูดสามยาคือก่อนรู้อย่าอยากรู้ให้สภาวะเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้ไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาระหว่างรู้อย่าอยากรู้ให้ชัดไม่ต้องถลําลงไปจ้อง รู้แล้วอ ย, อยากเข้าไปแทรกแซงไม่ใช่อยากให้มีอยู่นานๆอยากให้หายไปก็เข้าไปแทรกแซงนี่สามอยากฟังอย่างนี้ทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกแต่วันที่อินรีแก่กล้ามันจะปิ๊งขึ้นมาเลยเฮ้ยอย่างนี้จริงๆถ้าลําลงไปจริงๆแหละมันจะเห็นขึ้นมาถ้าหลวงพ่อคอยจี้อย่าถาลำลงไปนะทำไมจิตไหลไปเมื่อกี้ไหลไปคิดรู้หรือเปล่า บอกนี่นะบอกเพื่อให้เห็นเพื่อให้รู้จักเท่านั้นแหละนิดๆหน่อยๆกระตุ้นเท่านั้นเองบอกเป็นการกระตุ้นหลวงพ่อทําหน้าที่เหมือนหมอทําคลอดพวกเราต้องไปทําให้เด็กเกิดเองต้องทําให้เด็กในท้องนี่มันค่อยๆโตขึ้นมาเองแล้วหมอทําคลอดช่วยนิดเดียวตอนทําคลอดไม่นานตอนท้องตั้งนานใช่ไหมพวกเราตอนนี้เหมือนกําลังท้องอยู่ท้องในการปฏิบัตินะสะสมสติปัญญาให้มันท้องป่องขึ้นมาเลยสะสมของเราไปถึงเวลาคลอดใช้เวลาไม่นาน แต่ถ้าเร่งนะท้องได้สามเดือนเออเมื่อไหร่จะคลอดนะคอยดันมันเรื่อยเลยมันคลอดเร็วไปคลอดเร็วไปไม่ดีอดทนนะอดทนค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตกายสังเกตใจไม่ใช่ปรุงแต่งมันถ้ารู้ทันความปรุงแต่งวันหนึ่งจะพ้นจากความปรุงแต่งแต่ถ้าไปปรุงแต่งก็ไม่มีวันพ้นจากความปรุงแต่งปรุงแต่งการปฏิบตัติคือคิดว่าทําอย่างไรจะดีทําอย่างไรจะดีนั่นแหละปรุงแต่งไม่มีวันที่จะพ้นจากการปรุงแต่งได้เลย แต่ถ้าเรารู้ทานความปรุงแต่งแต่เราไม่ไปปรุงแต่งมันเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานเราไม่ไปปรุงแต่งมันเราทำหน้าที่แค่รู้แค่เห็นรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้รู้บ้างเผลอบ้างมันจะรู้ตลอดเวลาไปได้อย่างไรมันไม่ได้มีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่พระอรหันนี่ฉะนั้นรู้บ้างเผลอบ้างแต่อย่าเผลอนานจนน่าเกลียดเผลอนานจนหน้าเกลียดคือพวกไม่ยอมภาวนาไอโน่นก็ไม่ยึดไอนี่ก็ไม่ยึด เราไม่ต้องภาวนาก็ได้ถ้าภาวนาก็เป็นความยึดถือไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะหลวงพ่อปราโมทบอกไม่ต้องทำอะไรกินกินนอนๆอนไปหมาก็ทำได้หมาก็บรรลุแล้วอย่างนั้นไม่ได้นะอย่างไรมันก็ต้องทำที่หลวงพ่อบอกไม่ต้องทำนะ่ะลงมือจริงต้องทำลงมือดูอะไรดีเริ่มต้นจะดูอะไรดีละ่ะเพราะรู้ว่าจะดูอันนี้จะดูอย่างไรถึงจะดีละ่ะนึกออกไหมทีแรกจะเริ่มดูอย่างไรจะดูอะไรดี อะไรเป็นอ็อบเจกต์ในวงเล็บสิ่งที่ถูกดูต่อมาจะดูอย่างไรถึงจะดีคิดว่าจะทําอะไรจะทําอย่างไรทําแล้วจะได้อะไรอดไม่ได้นะจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรนี่ค้นคว้าดิ้นรนอยู่อย่างนี้เรื่อยเลยดิ้นไปเถอะค้นเข้าไปเถอะวันหนึ่งเกิดเฉลียวใจเฮ้ย อาจจะได้ยินซีดีหลวงพ่อพอดีหรืออาจจะมานั่งฟังหลวงพ่อเทศพอดีหรืออยู่ๆได้ยินเสียงหลวงพ่อเข้ามาในหูโดยไม่ต้องเปิดซีดีก็มีได้ยินเข้ามาปิ๊งเลยสมัยพุทธกาลมีนะเมื่อก่อนไม่เข้าใจสมัยพุทธกาลพูดถึงพระภิกษุไปเรียนกรรมาฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วแยกย้ายกันไปอยู่นาทีที่ท่านจะปิ๊งเนี่ยบอกว่าได้เห็นพระรัศมีของพระพุทธเจ้าฉายมาเหมือนกับเห็นพระพุทธเจ้ามาอยู่ต่อหน้าได้ยินท่านเทศได้ยินเสียงท่านเพราะฉะนั้นบางที เห็นทั้งรูปได้ยินทั้งเสียงบางทีได้ยินแค่เสียงของท่านก็มีแล้วก็ปิ๊งขึ้นมาเลยตอนนี้เริ่มมีคนมาพูดมีนะไม่ใช่หลวงพ่อไปตีตัวเทียบท่านไม่ใช่ยกตัวอย่างให้ดูภาวนาติดขัด น, นะเห็นหลวงพ่อไปสอนให้ถามว่าหลวงพ่อไปสอนหรือเปล่าเปล่าหลวงพ่อนอนกระดิกเท้าอยู่ในกุฏิยังไม่ได้ออกจากกุฏิเลยทําไมล่ะใจของเราที่แอบซอบในวงเล็บซึมซับธรรมะเอาไว้มันถ่ายทอดธรรมะขึ้นมาสอนเรา ฉะนั้นมันปิ้งขึ้นมาเองเลยบางคนไม่ต้องมีเสียงประกอบไม่ต้องมีภาพประกอบภาวนาไปภาวนาไปมันไปเห็นสภาวะมันปิ้งขึ้นมามันหลุดออกมาเองเลยฉะนั้นเราค่อยๆเรียนรู้ความปรุงแต่งไปเรื่อยแล้วคอยรู้ทันตัวเองที่ปรุงแต่งรู้ทันความปรุงแต่งของตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ปรุงนี่หว่าอย่างนี้ก็ปรุงนี่หว่าเอาละไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยก็ปรุงนั่นแหละหว่าแต่ปรุงแบบสุดโง่เลยไม่ทําอะไรปรุงว่างๆ ปรุงไม่ทำอะไรนั่นก็ปรุงทั้งสิ้นดังนั้นเบื้องต้นนี่แหละปรุงแต่งอย่างไรมันก็ปรุงแต่อย่าไปช่วยมันปรุงคอยดูกายมันปรุงคอยดูจิตมันปรุงดูมันทำงานไปเรื่อยๆเผลอเข้าเมื่อไรก็เข้าไปช่วยมันปรุงแต่งถ้ารู้ทันก็เป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่เข้าไปช่วยมันปรุงแต่งไม่ใช่ไปประคองผู้รู้ด้วยนะไม่ได้ทาอะไรหรอกคอยรู้ทันความปรุงแต่งไปเรื่อยค่อยๆสังเกตในที่สุดก็เห็น เที่ยวแสวงหาบ้างเที่ยวถลำลงไปดูบ้างเที่ยวเข้าไปแทรกแซงแก้ไขบ้างฝึกไปเรื่อยพอรู้ทานมันก็จะลดความปรุงแต่งที่ผิดผิดลงความปรุงแต่งที่ผิดจะค่อยๆลดลงก็ยังปรุงอีกปรุงไปปรุงไปแล้ววันหนึ่งปิ้งขึ้นมารู้เลยบางคนก็รู้ว่าไม่มีใครทาจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกมันเป็นเองจิตที่อบรมอินทรีย์มาแก่รอบแล้วมันบรรลุของมันเองค่อยฝึกเอานะ สรุปแล้วก็คือให้คอยรู้ความปรุงแต่งอย่าไปนั่งปรุงแต่งมันซิเองทำได้ไหมใครทำได้จะเข ก, กบาลให้ทำไม่ได้หรอกจำเอาไว้นะทำไม่ได้หรอกรู้ลูกเดียวเลย